ด้วยวิธีการตั้งเครื่องของ En นิ ma เนี่ยวิธีการตั้งเครื่องมันได้หลากหลายวิธีมากต่อให้ผมตั้งเครื่องลองไปเรื่อยๆนะรูปแบบและหนึ่งวินาทีก็ต้องใช้เวลาเกือบ5ล้านปี<ะ>กว่าจะลองการตั้งเครื่องของ En นิ ma ใ, ให้ครบได้โอ้แล้วที่สําคัญชีวิตอลันทัวริงเนี่ยทำโปรเจกต์เนี่ยเป็นความลับนืกออกไหมฮะ<อ>คือมันเป็นเรื่องของศึกสงครามเนา ะ, ะไปบอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรเนี่ยมไม่ได้เลยนะผมว่าถ้าไม่มีอลันทัวริงเนี่ย รายการเราที่ออนไลน์อยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็ก็อาจจะยังไม่มีนะอผมก็จะไม่ได้นั่งตรงเนี้ยผมก็คงจะนั่งเขียนหนังสืออยู่อย่างที่บ้านงิดๆไปอะไรเงี้ยเออถือว่าเป็นคนที่ส่งผลต่อเราในทุกมิติมากๆ You're listening to The Standard Podcast The eye opening experience for your ears ใดๆในโลกล้วนฟ h y s i c พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนิดที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัววันที่เราใช้ ChatGPT เป็น AI พื้นฐานที่แบบแทบจะอยู่ในทุกวันของชีวิตประจำวันกันไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆบทบาทเลยค่ะที่เห็นว่า AI เนี่ยมันเก่งจริงๆนะคะจนบางทีก็อาจจะตั้งคำถามว่าไอ้พวกระบบคอมพิวเตอร์แบบเนี้ย มันมีความคิดหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมีคนที่เคยตั้งคำถามนี้มาก่อนแล้วนะคะก็คืออัลันทัวริงเราจะมารู้จักอัลันทัวริงในใดๆในโลกโลนฟิสิกส์วันนี้กันนะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟังรัชเทอร์โรจิตพนาค่ะและผมป๋องแปงอัจวรงจันทมาศครับอัลันทัวริงเนี่ยเขาน่าสนใจยังไงคะพี่ปองแปงทําไมเราถึงเลือกที่จะมาเล่าเรื่องของเขาในรายการของเราคือทุกวันนี้ครับน้องฟงังผมมองว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ด้วยนะ คือเราใช้คอมพิวเตอร์ในในชีวิตประจําวันทําสิ่งต่างๆก็จริงแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสำหรับนักฟิสิกส์แล้วผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่นักฟิสิกส์ยุคปัจจุบันเนี่ยขาดไม่ได้มไม่ใช่ว่าขาดเราจะจะทำอะไรลําบากแต่มันแทบจะขาดไม่ได้เลยนะครับคือในแง่ของการจะต้องมานั่งคิดเลขอันซับซ้อนต่างๆทําการประมาณค่าต่างๆทําแบบจําลองต่างๆหรือแม้แต่การเก็บข้อมูลด้วยปริมาณมหาศาลแล้วมาวิเคราะห์ผลพวกนี้นะ มันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยของนักฟิสิกส์เป็นตัวช่วยหลักมากๆเลยนะครับนั่นแหละดังนั้นวันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องของอลันทัวริงผู้ที่เรียกว่าเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่เราใช้งานกันทุกวันนี้ค่ะงั้นเราไปฟังเรื่องราวของเขาตอนเด็กๆ ก, กันก่อนไหมคะว่าคนที่โตมาแล้วคนบอกว่าเฮ้ยเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ใช่ไหมพี่ออมังเขาโตมาอย่างไงทําไมถึงกลายมาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นจุดตั้งต้นของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กัน คืออลันทัวริงเนี่ยเกิดเมื่อปีคศ1912ค่ะนับมาถึงวันนี้1912ถึงปียุค ป, ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคือแค่ช่วงเกิดของเขาเนี่ยผมก็ทึ่งแล้วว่ามนุษย์ที่เกิดมาเป็นร้อยปีก่อนเนี่ยอยู่ในช่วงชีวิตนั้นะ่ะเขามีไอเดียอะไรได้ขนาดนั้น1912เป็นปีที่น่าสนใจตรงที่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับออไอส ย, ยังยังมีชีวิตอยู่เนาะ ก่อนหน้านั้นไม่นานนะักไอสไตตีพิมสัมพัทธภาพพิเศษไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีสัมพัทธภาพทั่วไปอ l ลันทัวริงเนี่ยเกิดมาในช่วงเวลานั้นแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสนอกสนใจในวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างได้อย่างน่าทึ่งแล้วกันนะคือโดดเด่นนะครับทีนี้ความโดดเด่นของอลันทัวริงเนี่ยคือเป็นอัจฉริยะเนี่ยหลายๆคนก็จะมา มาแสดงแวลกันตอนมีอายุแล้วบางคนก็จะใช้แวลกันตอนสร้างผลงานตอนโตตอนเลยอลันทัวรี่อย่ตั้งแต่เด็กเลยอเออขาทำอะไรคะตอนเด็กอายุ16เนี่ยก็มีวีรกรรมคือสามารถศึกษางานของไอน์สไตน์ได้อายุ16ใช่16ถ้าคตีก็แบบมอมอมอ่มอ 3, มอ 4, อะไรอย่างม .3 ม .4 ่แถวนั้นศึกษ า, กาผลงานของ Albert อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้แล้วหลายๆท่านทุกวันนี้ก็อาจจะบอกว่าออ ผมอายุสิบห้ก็เริ่มอ่านแล้วซึ่งก็ก็เจ๋งดีแต่ในยุคนั้นเนี่ยหนังสือนังหาอะไรต่างๆที่เขาทําให้มันเรียบง่ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีมการศึกษางานของไอน์สตน์ในยุคนั้นเนี่ยมันฮาร์ดคอร์กว่ามา ก, มากมนะครับแต่ว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยความเป็นอัจฉริยะอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยได้เกิดจุดเปลี่ยนบางอย่างขึ้นในชีวิตของอลันทัวริงนั่นคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงมันทําให้เขาเนี่ยเรียกว่าเป็นบาดแผลกรีดลึกลงในลงในจิตใจของอลันทัวก็ ส่งผลให้เขาเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องของศาสนาเลยนับแต่วันนั้นอเพราะว่าเพื่อนเขาได้จากไปใช่แล้วอะไรทําให้การเสรียชีวิตของเพื่อนคนนี้เป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดพลิกผันนะคะคือมนุษย์เราเนี่ยผมมองว่าความเชื่อหลายเรื่องในชีวิตเนี่ยนะครับมันมันเป็นสิ่งที่ชี้นําชีวิตของเขาดังจะได้เห็นต่อไปนะก็พอหลังจากช่วงวัยรุ่นไปเนี่ยอารันทัวริงก็เรียนต่อที่แคมบริดจ์แล้วก็ไปเรียนปริญญาเอกที่ Princeton นะครับผลงานของอลันทัวริงเราอาจจะแบ่งได้เป็น3มยุ ค, คก็คือช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2อ 2> ช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่เขาเรียนปริญญาเอกอยู่นั้นเนี่ยนะครับในช่วงเวลาประมาณนั้นเนี่ย<ๆ>เขาได้สร้างผลงานที่เขย่าวงการอย่างมากเลยนั่นก็คือเขาได้สร้างผลงานวิจัยเชิงคณิตศาสตร์ที่นามาซึ่งการตั้งคาถามว่า เราอาจจะสามารถออกแบบเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างกว้างขวางครอบคลุ ม, มแทบจะเป็น universal เลยทุกวันนี้เราอาจจะเรียกมันว่า touring machine ก็คือเป็นเครื่องจักรที่สามารถทำการคำนวณแล้วก็แก้โจทย์ปัญหาต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะฮะคือโปรแกรมเข้าไปได้ฟังดูแล้วก็ธรรมดามทุกวันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์นะฮะทำอะไรบ้างตื่นมาก็เช็คอีเมล เดี๋ยวนี้ยังเช็คอีเมลอยู่ไหมตอนเช้าเอ่อเช็คบ้างแล้วกันเช็คโซเชียลเน็ตเวิร์กเอ่อแทบจะอยู่ในทุกๆสเตปของการใช้ชีวิตใช่ดูนาฬิกาเปิดแมพดูนาฬิกาตั้งนาฬิกาดูหนังฟังเพลงอะไรแล้วล่ะคือเยอะอ่ะเนาะคือตอนอลันทัวริงโตแล้วนี่ก็เกือบร้อยปีในยุคนั้นเนี่ยอุปกรณ์ของมนุษย์เนาะค่ะน้องฟังมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยหน้าที่เฉพาะเจาะจงอะผมมีขวานอยู่อยู่เล่มหนึ่งเนี่ยมันใช้ทํำเลยใช้ฟันต้นไม้ใช้ตัดต้นไม้ขวานมันมีหน้าที่อย่างเดียวอะ ทำอย่างเดียวหนึ่งอย่างอ <Okay. S 2> หรือพัดลมพัดลมก็เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นการบุ่นแล้วก็เอามาเป่าอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้อากาศเย็นทําให้อากาศถ่ายเทอะไรก็ว่าไปแต่เครื่องจักรหนึ่งอย่างเนี่ยมันทําหน้าที่หนึ่งอย่างอย่างเฉพาะเจาะจงอแต่สิ่งที่ทัวริงจินตนาการไว้นะครับมันเป็นเชิงคณิตศาสตนะร์นะว่าเฮ้ยอาจจะมีเครื่องจักรที่ทําได้อย่างกว้างขวางมากถ้าเราสามารถป้อนคําสั่งหรือโปรแกรม ปัญหาที่อยากให้มันแก้ในรูปเชิงคณิตศาสตร์ได้เหมือนให้เครื่องนี้ช่วยแก้ไขปัญหาแก้โจทย์ต่างๆใช่แต่มันไม่ใช่แค่โจทย์คณิตศาสตร์โจทย์หลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยสมมติเล่นๆนะครับเช่นถ้าเราอยากให้เครื่องจากที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะทัวริงแมชชีนเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเล่นเพลงให้หน่อยถ้าเราสามารถเปลี่ยนโจทย์การเล่นเพลงให้หน่อยเนี่ยให้เป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์บางอย่างได้เนี่ยเครื่องนี้มันก็จะทําได้ อ๋อ oh, เหมือนอินพุตมันด้วยภาษาของเครื่องเนี้ใช่ oh. ซึ่งเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์บางอย่าง <Ha. S 2> อย่างเฉพาะเจาะจงมันก็จะแก้ได้นะครับดังนั้นถ้ามาคิดดีๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตมนุษย์ได้ครอบคลุมมากซึ่งมันก็คือคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่ทัวริงไปไกลกว่า น, นั้นอีกไปไกลกว่า น, นั้นอีกนะ <Ha. S 2> คือไม่ใช่แค่ว่าจิตนาการถึงเครื่องจักรที่ทําได้อย่างครอบคลุมทุกอย่างแต่เครื่องจักรคานวณหรือทัวริงแมชชีนเนี่ยมันมีโจทย์บางชนิดที่ยากแก้ไม่ได้ด้วย ที่ยังไงมันก็แก้ไม่ได้เป็นเป็น rule ของคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่เล่านะครับเพราะมันลึกซึ้งเกินไปแต่ว่าใครอยากไปลองอ่านดูก็มันจะมีโจทย์บางอย่างที่คอมพิวเตอร์มันแก้ไม่ได้ใช่ใช่อันนี้มันมันยากมันยากแหละนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเหมือนกับนิยายวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมผมมองว่ามันไปไกลกว่านั้นคือเนี่ยนิยายวิทยาศาสตร์บางทีมันเป็นจินตนาการเนาะมันคิดไปว่าเราอยากให้มีอย่างโนู้นอย่างนั้นเกิดขึ้น อาจารย์ทัวริงใช้คณิตศาสตร์มารองรับโดยมีตักกะแล้วก็วิธีคิดที่มีความชัดเจนามากๆแม้จะเป็น<ม>เชิงนมามธรรมก็ตา ม, มนะครับ<ม>ด้วยเครื่องทัวริงแมชชีนเนี่ยก็เลยทำให้เขาเหมือนได้รับการขนานนาม ว, ว่าเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ใช่มใช่ใช่เลย<อ>นะฮะมันก็ต่อยอดมาจนถึงวันนี้ถูกต้อง<ม><ม>คือพอมีไอเดียที่ชัดเจนมากขนาดนี้ทางคณิตศาสตร์เนี่ย คนที่จะต้องทำให้มันเป็นจริงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ก็อาจจะมีการต่อยอดเป็นวิศวกรคมอมเลยต่างๆนาๆนาครับแต่หลายๆคนก็ได้ไอเดียแล้วก็ต่อยอดมาจากแนวคิดของทัวริงตั้งแต่ก่อนโลกช่วงสงครามโลกครั้งที่อสองเลยนะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปจินตนาการชีวิตในยุคนั้นนะเนาะที่เราเห็นนะ่ะแล้วอยู่ๆก็คิดเครื่องนี้ขึ้นมามันแบบมันดูล้าล้ามากเลยนะมันล้ามากคืออัจฉริยะมากๆ ม, มันไม่มีใครเคยคิดอะไรแบบนี้มาก่อนอ เจ๋งมากเลยค่ะแล้วหลังจากเมื่อแกมันเป็นยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วพอสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นทัวริงเข้าไปมีบทบาทอะไรบ้างคะโหถ้าใครดูหนังนะครับมันจะมีหนังเรื่อง imitation game ไม่รู้เคยดูกันหรือเปล่ามันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตอัลลันทัวริงในในยุคสงครามโลกครั้งที่สเลยแล้วจะจินตนาการเห็นเครื่องอะไรบางอย่างแบบใหญ่ๆเต็มห้องทำงานอยู่อ่านั่นแหละนั่นแหละคือสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นสงครามที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ โลกอย่างมากในหลายๆแง่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งอเลนทัวริงเนี่ยจะไม่มีบทบาทถามว่าทําไมเขามีบทบาทคําตอบก็คื อ, อในยุคนั้นเนี่ยทัวริงเขาเริ่มเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านความเป็นอัจฉริยะนะครับใครๆก็รู้ละในวงการก็รู้ว่าโอ้คนนี้อัจฉริยะมากๆทางอังกฤษเองก็เลยเชิญทัวริงเข้าไปในศูนย์บัญชาการรับชื่อเบลช์ลีย์พาร์กเหมือนจะให้เขาไปช่วยอะไรบางอย่าง ในการทำสงครามใช่ช่วยทำการถอดรหัสลับของทางฝั่งเยอรมัน<อ>นะฮะก็คือที่นาซีใช้เพื่อจะทำศึกสงครามอะไรนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยคืออย่างนี้<อ>ในช่วงสงครามโลกนะครับมีวิศวกรอยู่คนนึงชาวเยอรมันเนี่ยเขาประดิษฐ์เครื่องเข้ารหัสได้เครื่องหนึ่งแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรมันมันชื่อว่าเครื่องโรเตอร์แมชชีนหลังจากเนี้ยพอจดสิทธิบัตรอะไรเรียบร้อยเขาก็ทำศึกษาอะไรต่อมาก็เอามาวางขายในชื่อ ของเครื่องอ e ินิกมาเคยได้ยินไหม ừ ừ ừ ừ เครื่องเข้ารหัสชื่ออ e ีนิกมาในยุคนั้นเนี่ยพอเครื่องอ e ินิกมาออกมาปุ๊บเนี่ยทางการทหารเยอรมันเห็นปุ๊บแบบเฮ้ยเฉ่งเว้ยก็ซื้อนะครับเอามาใช้ในการเข้ารหัสลับเวลาสื่อสารอะไรฝั่งตรงข้ามก็จะแบบจับไม่ได้ว่าคุยอะไรกันอะไรอย่างนี้นะถูกต้องถูกต <ừ> ้องเดี๋ยวอธิบายเรื่องเครื่องอ e ินิกมาเพิ่มเติมนิดนึงว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายมากง่ายแบบง่ายมากอะ คือเครื่องอินิกมากนะครับลองจินตนาการถึง เ, เครื่องที่มีลักษณะเหมือนใหญ่ประมาณเครื่องพิมพ์ดีด ม, มันก็เล็กนะอ่าแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านจะงงแล้วว่าแบบอะไรคือเครื่องพิมพ์ดีดคือน้องๆทุกวันนี้ไม่ทนงง <laughs> ผมอะมาคิดว่าคือเคยเขียนเรื่องนี้ว่ามันเท่าเครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็มีคนถามเครื่องพิมพ์เดืดคืออะไรคะ โอผมก็เลยเอาว่าประมาณเครื่องพิมเลอร์แล้วกันอ่ะได้พิมเลอร์อ่ะพิมเลอร์โอเคดึงออกใช่ไหมพิมพ์เลอร์ดึงออกประมาณเครื่องพิมพ์เลอร์ที่นี่มันจะมีแป้นพิมพ์อยู่มีอักษรอะไรต่างๆเป็นแป้นคล้ายๆกับคีย์บอร์ดคอมนะครับคีย์บอร์ดตรงนี้มันจะเป็นเอาไว้พิมพ์คําที่เราต้องการเข้ารหัสแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงผลเป็นเป็นไฟเป็นตัวอักษรนี่แหละสมมุติผมกดตัว A ลงไป A มันก็จะขึ้นสว่างวาบขึ้นมาเป็นอักษรอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมติ A อาจจะ A หรืออะไรก็ได้<อ>เช่นอาจจะเป็นตัวตัวตัวดีด็สมมติมนะฮะแล้วเราก็กดคำต่างๆลงไปมันสว่างวาบขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆจดตัวที่มันสว่างวาบขึ้นแบบนี้ง่าย<ะ>ก็ดูเหมือนง่ายง่ายมากวิธีใช้เนี่ยง่ายมากก็แค่กดคำที่จะต้องการทิมลงไปแล้วมันก็สว่างอะไรขึ้นมาก็ได้รหัสล้ใช่แต่ที่มันเจ๋งนะฮะคือว่าทุกครั้งที่เรากดเนี่ยเครื่องมันจะมีการหมุนข้างใน ทำให้เวลาเรากดอักษรเดิมเนี่ยต่อให้กด A ซ้ําๆเนี่ยสิ่งที่ออกมาก็อาจจะไม่ใช่อักษรเดิมเช่นกด A ครั้งแรกมันออกมาเป็น d ีด็ครั้งที่2มันอาจจะเป็น D ีด็หรือไม่ก็ได้มันอาจจะเป็นตัว F ตัว K ตัว N ตัว O อ, อะไรไปคือมันดูไรลรูปแบบมันดูแบบจะไปทางไหนก็ได้ทีนี้พอได้ตัวคําที่อ่านไม่ออกออกมาเนี่ยทางเยอรมันก็จะเอาไอ้ตัวคําเหล่านี้มาส่งสัญญาณไปทางสัญญาณวิทยุเข้าเป็นรหัสมอรสแล้วก็ส่งสัญญาณวิทยุออกไป ซึ่งสัญญาณวิทยุเนี่ยใครก็จับได้อแต่ทางเยอรมันก็ไม่แคร์อยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่เข้าใจหรอเรื่องอยู่ดีใช่ออทีนี้พอฝั่งเยอรมันด้วยกันเองจับสัญญาณวิทยุได้นะคับฟังแล้วก็เขียนออกมาเป็นตัวตัวเลขที่มันสว่างว่าออกมาเขาก็จะเอาเครื่องอินิกมาอีกเครื่องหนึ่งมานะอันนี้คือฝ่ายคนรับสารละอตั้งเครื่องให้ตรงกันแล้วก็กดตัวเลขที่ ที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้ลงไปมันจะสว่างวาดขึ้นมาเป็นคําที่อ่านรู้เรื่องก็จะสองฝั่งที่มีเครื่องนี้ยตั้งระบบเดียวกันคุยกันรู้เรื่องแหละถูกต้องนะครับแน่นอนเยอรมันก็ไม่กังวลคุณอยากดักฟังก็ดักไปดิใช่ไหมประเด็นก็คือเครื่องทั้งสองเนี่ยจะต้องตั้งเครื่องเขาเรียกตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องเนี่ยให้มันตรงกันนะซึ่งเยอรมันเนี่ยตั้งใหม่ทุกวันตั้งใหม่ทุกวันแล้วก็ส่งส่งวิธีการตั้งเครื่องใหม่เนี่ยทุกเดือนเลย ดัง <peach noise> น, นั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากมา ก, ากต่อให้มีการไปล้วงขโมยเอาการตั้งค่าเครื่องเนี่ยเยอรมันก็เปลี่ยนได้หรือเขาอาจจะไม่เปลี่ยนก็นได้เพราะเดี๋ยวเดือนหน้าก็กตั้งเครื่องอใหม่อีกแล้วอ่ะอค่ะแล้ววันนี้มันเลยกลายมาเป็นโจทย์ที่ทัวริงต้องแก้ใช่ไหมคะใช่ฮะเนี่ยคื อ, โ, อโจทย์ที่ทาง Bletchley p a r เนี่ยพยายามจะแก้ให้ได้ว่าเฮ้ยจะต้อง จะต้องทํำยังไงเพื่ อ, อที่จะได้เข้าใจรหัสลับของทางฝั่งเยอรมันมนะซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะว่าน้องฝางอาจจะคิดว่าเฮ้ยมั่วไปเรื่อยๆได้ไหมมั <S <S ม่ววิธีตั้งเครื่องไปเรื่อยๆดีกว่าอลองดูด้วยวิธีการตั้งเครื่องของอีนิกมาเนี่ยวิธีการตั้งเครื่องมันได้หลากหลายวิธีมากต่อให้ผมตั้งเครื่องลองไปเรื่อยนะรูปแบบและหนึ่งวินาทีหมายความว่าเนี่ยรูปตั้งเครื่องแบบที่หนึ่งวิหนึ่งวิแล้วก็เปลี่ยนไปแบบที่สองลองมั่วไปเรื่อยดูซึ่ง จริงๆมันอันนี้ถือว่าเร็วมากน ะ, ะก็ต้องใช้เวลาเกือบห้าล้านปี<ะ>กว่าจะลองการตั้งเครื่องของอะดินน<ห>มา<ร>ให้ครบ <he? S 1> ได้โอ้โหโจทยากมากเลยนะโอ้โหมันเป็นโจทย์ที่มันซาดิช อ, อ่ะแล้วก็มันไม่ใช่แค่โจทย์ยากทางสมองนะครับคือสมมติผมทําโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยทําไม่ได้ก็ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายแต่ในยุคสงครามโลกเนี่ยการแก้โจทย์ข้อนี้ไม่ได้เวลาที่ผ่านไปมันหมายถึง การเสียชีวิตของผู้คนมากมายมหาศาลมันมีเรื่องของจิตใจมีเรื่องของงบประมาณมีเรื่องของอะไรเยอะแยะทําไมหมดมแรงกดดันทางการเมืองเอ่ยโ อ, โอะไรต่างๆอแล้วที่สําคัญชีวิตอลันทัวริงเนี่ยทำโปรเจกต์เนี่ยเป็นความลับ<อ>นึกออกไหมฮะ<อ>คือมันเป็นเรื่องของศึกสงครามเนา ะ, ะไปบอกเพื่อนฟูงญาติพี่น้องอะไรเนี่ยมไม่ได้เลยนะอต้องแอบทําคือบางทีเราเจอเรื่องแบบอึดอัดใจซีเรียลอะไรแล้วก็อยากเมา้ามอย อันนี้มันเมาโไม่ได้มันอึดอัดนะค่ะครับแล้วสุดท้ายเขาเขาใช้กลลเม็ดไหนคะถึงแบบไปไขสิ่งนี้ได้ไรเงี้ยคือช่วงแรกๆที่อัลันทัวริงเข้าไปเลยนะนักคณิตศาสตร์ในยุคในช่วงนั้นๆเนี่ยพยายามเอาระดมเอานักคณิตศาสตร์เก่งๆมาแล้วก็พยายามใช้การคํานวณด้วยสมองเนี่ยมาแก้โจทย์ตรงนี้แต่มันไม่ได้ผลมันต้องไม่ได้อยู่แล้วคือรูปแบบการทั้งเครื่องมันเยอะเกินไปอัลันทัวริงก็เลยเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ ค่อนข้างจะหลายคนก็ถกเถียงนะว่ามันเสียเวลาหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าจะสู้กับเครื่องจักรก็ต้องใช้เครื่องจักรคเราจะต้องสร้างเครื่องถอดรหัสให้ได้และเป็นเครื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้เครื่องถอดรหัสตัวนี้ชื่อบอมนะฮะ<อ>เครื่องบอมเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่อย่างที่น้องฟางบอกมันจะเป็นตัวหมุนๆอะไรเต็มไปหมดเล ย, เลยนะครับ หลักการทํางานก็มีความซับซ้อนพอสมควรแต่อธิบายคร่าวๆได้ว่าเครื่องบอมเนี่ยมันจะไปตัดรูปแบบที่เป็นไปไม่ได้ทิ้งในการตั้งค่าเครื่องทั้งหมดออกไปนะแต่เริ่มต้นอาจจะต้องมีการเดาสุ่มบางอย่างเข้าไปก่อนอย่างเหมาะสมนะฮะเช่นเริ่มต้นเยอรมันเขาอาจจะทักทายกันด้วยอะไรแบบไหนจะต้องมีการเดาที่เหมาะสมลงไปก่อนแล้วมันถึงจะทํางานได้ดีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าเครื่องนี้ก็สามารถที่จะ Crack หรือถอดรหัสลับของฝั่งเยอรมันได้อย่างสมบูรณ์อยังไม่น่าเชื่อค่ะซึ่งถ้าดูในหนังนะฮะก็จะเพราะว่าอันนี้ถือว่าสปอยไหมหนังมันนานแล้วทุกคนน่าจะโอเค <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ก็ใครยังไม่ดูก็ไปดูนะครับพอสไวไปดู อ, อ่ะผมตอบแล้วก็คือเครื่องนี้ก็สามารถแบบแก้ปัญหาได้อย่างได้อย่างดีแล้วก็มันก็จบประมาณนี้แต่จริงๆนในศึกสงครามจริงมันไม่จบนะ มันไม่จบนะเยอรมันเองก็ต้องไปหาเครื่องสร้างรหัสที่ดีขึ้นไปอีกอ๋อให้แก้ไม่ได้ไปอีกใช่<อ>แล้วแต่อรันทัวริง เ, งเองเนื่องจากอยู่ในทีมเนี่ยเขาก็ได้เสนอแนวทางในการแก้รหัสออถอดรหัสที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วมันก็นํามาสู่การสร้างเครื่องขอด ร, รหัสที่ดีขึ้นไปอีกอชื่อเครื่องว่าคอลัซัสไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าเป็นเครื่องที่ใหญ่มากขึ้นไปอีกนะครับ อ, อะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการประมาณการว่า การถอดรหัสของทางของคุณอลันทัวริงเนี่ยนะครับมีส่วนช่วยให้สงครามสงบหรือสิ้นสุดเร็วขึ้นประมาณ2ปีสองปีนั้นเนี่ยถ้าประมาณเป็นชีวิตคนหรือความเสียหายเนี่ย mm. ช่วยชีวิตคนได้มากมายมหาศาลเลยนะ mm. เยอะมาก mm. คือสองครามนี้ไม่ใช่สงครามแบบหมู่บ้านสองหมู่บ้านตีกันนี่มันสงครามโลกนะ mm. เออสองครามสงบเร็วขึ้น2ปีเนี่ยโอ้โหมันส่งคุณอุปการต่อโลกทั้งใบอย่างมากทีเดียว mm. มันเหมือนกับว่าความคิดของเขาหรือว่าหลักการทางคณิตศาสตร์ของเขาเองเนี่ยมันช่วยเหมือนเชฟประวัติศาสตร์ของโลกได้เหมือนกันเนาะใช่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างเครื่องถอดรหัสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือมันเป็นโจทย์ที่ทั้งยากทั้งกดดันหนักหน่วงทั้งจิตกายจิตใจแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนบอกอย่างนี้ล้กันเพื่อให้เห็นความยากนิดหนึ่งคือบางทีเวลาเราถามคําถามอะไรบางอย่างเนี่ยคำถามเนี่ยมันดูเรียบง่ายเข้าใจง่ายแต่การจะไปหาคําตอบเนี่ยมันซับซ้อนมากเหมือนแบบ เวลามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นอย่างเงี้ย ม, มันมันเกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่การจะไปเสาะแสวงหาคําตอบว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรใครทําอะไรพวกนี้มันยากนี่เหมือนกันรหัสเนี่ยเข้ามาแล้วว่าซับซอ้อนแล้วแต่การจะไปถอดเนี่ยมันผมว่ามันโหดมันโหดมากมแต่ด้วยความเป็นอัจฉริยะของเขาเขาก็สามารถทําได้ ดูเหมือนว่าช่วงเวลาช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทัวริงจะเรียกได้ว่าเป็นวีรบุรุษเนาะที่เหมือนช่วยช่วยประเทศเอาไว้ช่วยฝั่งทางของสงครามของเขาเอาไว้ได้แล้วก็เหมือนกับช่วยเซฟชีวิตของคนก็น่าจะผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองชีวิตเขาไปยังไงต่อคะที่ปองแปงออพอจบสงครามโลกนะครับเขาก็ได้รับรางวัลเป็นเครื่องราชเป็นอะไรพวกนี้ก็ถือว่าทางรัฐบาลทางอังกฤษก็เองก็เห็นความสําคัญนะให้รางวัล แต่ละงวัลเนี่ยก็ให้แบบเป็นความลับ<อ>ยังเป็นบอก<ช>ไม่ได้ว่าคนนี้ช่วยคิดสิ่งนี้ใช่มันช่วงแรกๆของสงครามมันเพิ่งสงบ อ, อ่ะ ม, มันบอกใครไม่ได้อีกหลายปีเลยกว่าจะได้เปิดเผยสู่สาธารณชนนะครับและอ l รันทัวริงเนี่ยก็ไปทำงานอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากนั่น ค, คือ University of Manchester นะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ Manchester Mark 1ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บโปรแกรมได้ ฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาคือทุกวันนี้คอมพิวเตอร์มันก็ต้องเก็บโปรแกรมได้แต่นั่นเป็นเครื่องแรกๆนะครับที่เก็บโปรแกรมเอาไว้ได้ในตัวแต่ไอ้คอมพิวเตอร์นี่ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะแต่งานวิจัยหลังสงครามโลกเนี่ยคราวนี้เรื่องใหญ่เลยใหญ่มากเพราะอลันทัวริงตั้งคำถามสำคัญว่าเครื่องจัดคิดได้หรือเปล่าซึ่งดูเป็นคาถามที่แบบ An, um, มันเหมือนมันน <ml> ําสมัยมากอ่ะเพราะมันเป็นคำถามที่เราอ่ะเหมือนกระถามกันอยู่ในยุคนี้ด้วยเนาะยุคนี้ก็ถามอมันเป็นปรัตย์คือมันเป็นปรัตยาว่าเอ๊ะเครื่องจักรเนี่ยมันคิดได้ไหมมนุษย์เราเนี่ยเรารู้ว่ามนุษย์คิดได้น้องฟางมีความคิดผมมีความคิดท่านผู้ชมมีความคิดเพราะเรามีสมองมีการตอบสนองต่างๆเนาะแต่เขาถามต่อว่าอ้าวเครื่องจักรอะถ้าการต่อวงจรในสมองของเรามีความซับซ้อนมากแล้วเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนมากพอคิดได้เปล่า อ oh, เคําถามที่ท้าทายค <ำ S 1> ําถามนี้นะนะฮะและงานวิจัยช่วงหลังสงครามโลกเนี่ยมันนํามาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเอไอเป็นยุคบุกเบิกของ AI เลยเพราะการตั้งคําถามว่าค อ, คอมพิวเตอร์มันคิดได้หรือเปล่าเนี่ยมันคือมันก็คือ AI อะ่ะแหละนะฮะแล้วเขาก็มีงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเหล่านี้เป็นเป็นไพโอนิเอร์ยุคแรกๆเลยเป็นบุกเบิกเลยนะครับและที่น่าทึ่งก็คือว่าทัวริงเนี่ยลึกๆเขามีความเชื่อว่าถ้าเราออกแบบให้ดีพอ AI ก็อาจจะคือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรก็อาจจะคิดได้ถามว่าทํำไมเขาเชื่อแบบนี้คําตอบกคอ็คือในงานวิจัยมันมีรายละเอียดเยอ ะ, ะนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังเฉพาะจุดที่น่าสนใจก็แล้วกันคือทัวริงมองว่าการจะไปล่วงรู้ความคิดจิตใจของคนอื่นเนี่ยมันยากมากเพราะมันอยู่ในหัวคนอื่นเช่นเดียวกันเราจะไปรู้จิตใจของคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งหรือเครื่องจักรเนี่ยเราก็รู้ไม่ได้เหมือนกับคนนี่แหละแต่เราจะวัดว่าใครสักคนคิดได้ไม่ได้เราก็ดูการตอบสนอง ถ้าเครื่องจักรสามารถตอบสนองเราได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่แตกต่างอะไรจากมนุษย์เนี่ยเราก็อาจจะถือได้ว่าเครื่องจกักร น, นั้นมีความคิดแต่ทุกวันนี้ถ้าถามให้ลึกเข้าไปอีกแล้วก็อาจจะถามว่ามันมีจิตวิญญาณจริงหรือเปล่าแต่ตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็จะเป็นคําถามเชิงปรัชญายล้วนะครับนั่นแหละนั่นแหละแล้วว่าเขาก็เหมือนกับทาให้เห็นภาพว่าถ้าการตอบสนองของมันคําถามของมันภาษาของมันเนี่ยมันคล้ายคลึงกับมนุษย์มากๆเนี่ย แล้วก็อาจจะบอกได้ว่ามันมีความคิดแล้วก็อาจจะถือได้ว่า AI มีความคิดเล่ามาถึงเรื่อง AI เรื่องของเครื่องจักรมีความคิดเนี่ยผมผมเคยอ่านการ์ตูนเรื่องหนึ่งไม่รู้เคยอ่านหรือเปล่านะชื่อเจ้าหนูอะตอมเป็นการ์ตูนเก่าละแล้วก็มีการนํามาวาดใหม่นะครับโดยคุณอุรซาว่าคนเขียน Twenty Century Boy การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันมีฉากเป็นโลกอนาคตที่หุ่นยนต์เนี่ยมีลักษณะเหมือนมนุษย์มากมเหมือนชะจนกระทั่งมีกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติต่อหุ่นยนต์ ไปดูถูกว่าเฮ้ยหุ่นยนต์นี่ว่าอะไรเงี้ยมีความผิดนะถือว่าเหยียดเหียดหุ่นยนต์ก็เท่าเทียมกับมนุษย์อะไรแบบนี้เอออันนี้ก็ล้ําเหมือนกันนะครับอะไรแบบนั้นหรือภาพยนตร์หลายเรื่องก็จะมีการตั้งคําถามว่าแล้วถ้าหุ่นยนต์เทียบเท่ากับมนุษย์อเราจะเรียกสิ่งนั้นว่ามนุษย์ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายเรื่องครับใช่ค่ะทีนี้คุณอลันทัวริงก็ได้วางรากฐานทั้งคอมพิวเตอร์ยุคใหม่วิทยาการการถอดรหัสลับนะฮะแล้วก็ อะไรแล้วล่ะ AI นะแต่ทีนี้คุณอลันทัวรินเนี่ยเขามีความคือเขาเป็น LGBT นะครับคือเขาเป็นผู้ชายที่มีความชอบในเพศเดียวกันเนาะซึ่งในยุคนั้นนะฮะทางอังกฤษเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรงมากมยังอยู่ในยุคที่ยังมีกฎหมายบอกว่าการรักเพศเดียวกันเนี่ยต้องอได้รับโทษหรือว่าถูกจับอะไรก็ว่าไปใช่เขาก็เลยได้รับการลงโทษด้วยการฉีดฮอร์โมนเพศหญิงอะไรพวกเนี้ยนะครับ ใช่แล้วก็ทุกทรมานในเรื่องนี้ทั้งทั้งที่ทั้งทงที่เขาแบบว่าเป็นวีรบุรุษช่วยในศึกสงครามก็เนี้ย <ใน S 2> ดิความคิดทั้งคณิตศาสตร์ใช่หน้าเศร้ามากแล้วที่น่าเศร้าไปก่อนนั้นคือตอนที่เขาจะอายุครบ42ปีคือก่อนจะถึงวันเกิดเขาไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่กวันเองนะฮะก็มีคนไปพบศพเขานะเสียชีวิตคือเขาก็เสียชีวิตอยู่แล้วก็มีแอปเปิ้ลที่ถูกกัด อยู่ตรงศพของเขาแล้วก็มีพิษไซยาไนนะฮะคือเขาเสียชีวิตจากพิษไซยาไนก็มีการสรุปไปว่าเขาเสียชีวิตเนื่องจากการฆ่าตัวตายแต่เนี่ยหลายคนก็ทําหน้าแบบน้องฟางคือตั้งคําถามว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันเฮ้ยมันดูมันดูมีพิ่ลุดฝุดๆอ่ะคือทําไมใช่วิธีเนี้ยหรืออะไรแบบนี้นะฮะคือดูเต็มไปด้วยเงื่อนงำมากมายนะนั่นแหละก็คือความน่าเศร้าของชีวิตของอลันทัวริง ที่ผมเกิดไว้ว่าในตอนแรกที่ว่า เ, เ, เพื่อนของเขาที่เสียชีวิตเนี่ย<ช>ส่งผลอะไรต่อชีวิตของเขามาตลอดชีวิตเนี่ยผมมองว่าความไม่เชื่อในศาสนาหรืออะไรพวกเนี้มันมันเช็วิธีคิดของมนุษย์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมานั่งคิดว่าเครื่องจักรเนี่ยมีมีความคิดได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่คนตีความนะแต่การมองว่าเครื่องจักรมีความคิดเราอาจจะตีความได้ว่ามันมีจิตวิญญาณซึ่งมันก็อาจจะขัดกับความเชื่อทางศาสนาได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของเชิงประวัติศาสตร์ต้องไปตีความว่ามัน ว่าเขาคิดอย่างไรแล้วกันนะครับแต่ว่าการที่เขาเสียชีวิตในช่วงอายุแค่42ปีครับน้องฟังถือว่าอายุน้อยมากเพราะว่าคนที่อยู่ในยุคเดียวกับเขาเนี่ยถึงนาวันเนี้ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะอืมพวกนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ในยุคเดียวกับอ l ลันทัวริงเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยังได้เห็น Chat GPT ได้เห็น AI กำลังรุ่งเรืองออกมาแบบนี้ซึ่งถ้าอลันทัวริงเนี่ยไม่เสียชีวิตเร็วขนาดนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าโลกของเราก็ยังมีอารันทัวริงอยู่ถึงวันนี้แล้วก็คงจะมีผลงานที่โอ้โหเกินกว่าจะคาดเดาได้ว่าเขาจะคิดอะไรใหม่ๆออกมาอีกอนะครับน่าสนใจค่ะถ้าเราดูเส้นชีวิตของอารันทัวริงที่พี่ปองแปงเล่ามาเนี่ยมันเริ่มมาจากวัยเด็กเนาะที่เรียกเรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะแต่ว่าผ่านการสร้างผลงานที่แบบยิ่งใหญ่แล้วแบบอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกอะแต่ว่าก็มาจบชีวิตแล้วก็เป็นช่วงบ้านปลายชีวิตที่เหมือนกับ อยู่ในกรอบทางสังคมบางอย่างแล้วกันเนาะในเรื่องของเพศในเรื่องของความความสัมพันธ์ความรักแล้วมันก็เหมือนกลายเป็นว่าเอาจบจบง่ายๆแบบนี้เลยจบด้วยเรื่องที่จบ<ด>อย่าง น, น่าเศร้าแล้วกั น, นไม่น่าจะเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนที่มีความสามารถขนาดก็นี่ไงรัฐบาลอังกฤษเนี่ยในช่วงประมาณปีแถวแถวสอแถวนั้นะนะเขาก็ออกมาขอโทษอลันทัวริงต่อต่อสิ่งที่ ได้กระทากับเขาในฐานะ LGBT นะครับแล้วก็ประมาณปี2 0 2 1นบะฮะก็มีการออกธนบัตร Alan Turing เพื่อเป็นการระลึกถึงเขานะครับค่ะแต่ฟังแอบไปนับปีมานะพี่ป่องแปงว่าจากปีที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานแบบรักผู้ชายผ่านมาถึงปีที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยบอกว่าให้อภัยโทษหกกว่าปี ก็คือเสียชีวิตผ่านไปแล้วแล้วก็ผ่านมา60สิกว่าปีเนาะถึงจะถึงจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยมันก็มีแหละมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการขอโทษมีอะไรเกิดขึ้นองั้นถ้าเราบองแบบนี้ว่าถ้าวันนั้นนะไม่มีคนชื่ออลันทัวริง โ, โ, โลกวันนี้ของเราจะเป็นยังไงคะพี่บองแปง้งขอใจใจหนึ่งทีเป็นคําถามที่ดีนะครับอคําถามที่ดีเนี่ยมันจะตอบยากเสม อ, อ, ม อ, อผมมองลองจินตนาการเล่นๆก็แล้วกั น, กน ถ้าโลกของเราไม่มีมนุษย์ที่ชื่อว่าอลันทัวริงถือกําเนิดขึ้นมาจะเป็นยังไงงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็คงจะพัฒนาขึ้นได้ช้ากว่า น, นี้นี่คือผลอย่างที่1ผลอย่างที่สองก็คือสองครามโลกแทนที่มันจะจบเร็วไปสองปีมันก็อาจจะจบช้ามากกว่า น, นี้และมีคนเสียชีวิตมากกว่า น, นี้และเราไม่มีทางรู้ว่า การที่มันจบช้าลงเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพสงครามโลกไปแค่ไหนนึกออกไหมฮะมคือบางทีการจบช้าเนี่ยมันอาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งฮึกเหิมหรืออะไรยังไงก็พูดยากมากเลยว่าฝ่ายที่ชนะสงครามโลกอาจจะเปลี่ยนมือก็เป็นได้หรือถ้าไม่เปลี่ยนมือก็อาจจะบอบช้ํากันหนักจนกระทั่งอรารยธรรมโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ะนะครับแล้วอย่างที่3มก็คือแนวคิดเรื่อง AI เนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นช้าลงอีกนะ แคปจีพแทนที่จะมีอย่างทุกวันนี้ก็อาจจะต้องรอไปอีกหลาย1ิปีนะครับดังนั้นผมว่าถ้าไม่มีอลันทัวริงเนี่ยรายการเราที่ออนไลน์อยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็ก็อาจจะยังไม่มีนะผมก็จะไม่ได้นั่งตรงเนี้ยผมก็คงจะนั่งเขียนหนังสืออยู่อย่างที่บ้านเงียๆไปอะไรเงี้ยเออถือว่าเป็นคนที่ส่งผลต่อเราในทุกมิติมากๆครับฟังอยากรู้เลยว่าถ้าอลันทัวริงอยู่วันนี้เขาจะพูดถึง AI หรือพูดถึงแบบ การที่เราใช้ AI ในชีวิตประจําวันทุกวันนี้ยังไงก็น่าสนใจดีนะคะเชื่อว่าใครที่ได้ฟังใดๆในโลกลนฟิสิกส์วันนี้เนี่ยทุกครั้งที่คุณเปิดแชท GPT หรือว่าเห็นรูปสวยๆที่ AI มันสร้างหรือว่าอาจจะเห็นบทบาทของ AI นี่ที่ไหนก็ตามหรือใช้คอมพิวเตอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยฟังว่าก็จะนึกถึงชื่อของอัลันทัวริงขึ้นมานะคะอย่างน้อยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในขณะเดียวกันสังคมเองก็ ส่งผลต่อชีวิตของคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่ฟังตอนนี้แล้วรู้สึกยังไงลองแชร์ความคิดเห็นของคุณมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราไปตามอ่านกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ในตอนต่อไปนะคะได้ที่ YouTube c h a ของ l ขอ The Standard Podcast กด Subscribe กันไว้นิดนึงนะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆแล้วก็ติดตามรับฟังได้ทุกๆ Podcast Player เลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ